เ ต, ตา ไ, ไปสตัดดี้ เ, เคสตัดดีโสดสนิทอเคสตัวนี้เป็นเคสที่9 8้าร้ปสบลูกขวับพระธรรมกายได้เหตุผลง่ายๆซึ่งเกิดจากความรัก และความห่วงใยที่มีต่อแม่บุญธรรมของลูกทันทีที่ท่านเอ่ยปากชวนลูกมาเป็นเพื่อนที่วัดพระธรรมกายเมื่อปีสองห้าสี่สองลูกจึงมาวัดโดยไม่มีข้อแม้ใดๆเลยค่ะ mm hmm. การมาวัดครั้งแรกทำให้ลูกประทับใจมาก mm hmm. เห็นห้องน้ำสะอาด mm hmm. เห็นก mm hmm. รังท้าวางอย่างเป็นระเบียบ เห็นคนใส่ชุดขาสะอาดตาโอเป็นภาพวัดทิลูกถึงทะลึงไปเลยค่ะจากนั้นลูกก็มาวัดกับท่านเสมอมาโอ้นีไ่เจ้าเราก็ได้ยินกับหูเราแล้วแล้วก็พรุ่งนี้เปนพระเราไปเข้าวัดข้างบ้านเราน่เจ้าที่บ้านวรดหลุดเราสร้างมาให้เราได้อาศัยสร้างระมีและศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปเข้าวัดแล้วก็ไปช่วยกันทําความสะอาดในอารามนั้นในบุญญาสถานนั้นแล้วก็เราไปช่วยกันจัดวางรองเท้าเรียงกันให้เป็นระเบียบเลยเราจะได้เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีแล้วใครมาเห็นก็จะได้สบายใจเนี่ยเหมือนจะขอบเคสเิช่ไหมจ๊ะทุกวัดสามารถทําได้ถ้าได้ทำได้ทําแค่นั้นเลยจ้ะทําไม่ได้เพราะไม่ได้ครับจะไม่ได้ทํากันนั้นเอง เราสามารถทําได้ดีกว่าดีที่สุดด้วยถ้าได้ทํา<ำ>นี่นะจ้า<ำ>แม่บุญธรรมลูกเป็นน้องสาวของคุณตาแต่เป็นผู้ใหญ่ใจดีดีมีเมตตาเจ้าทำบุญที่วัดพระธรรมกายมาทั้งทํำด้วยตนเองและชักชวนผู้อื่นมาทำบุญด้สเสมอน้องสาวของคุณตานะเจ้ะ ทำาเป็นโสดไม่มีลูกค่ะเอาก็ะ <c oughs> า, าเป็นโสดนะอ๋ขอขยายความนะ <c oughs> ต่อมาเมื่อตัวลูกอายุสิบสองปี <c oughs> แล้วแล้วคุณแม่ได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านของท่าน <c oughs> แล้วต่อมาท่านก็รับตัวลูกเองนี่แหละเป็นลูกบุญธรรมแม่บุญธรรมมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือด และกระดูมาตลอดทอมได้รับการผ่าตัดถึงห้าครั้ง oh. ผ่าห้าครั้ง oh. ดังนี้แต่บางคนนี่นะจ๊ะใ <Okay. S 1> น, นเรียนอุบาลฝันในฝันวิญญาณนี่แหละพูดถึงความเบลอซเมื่อ <Okay. S 1> นานมาแล้ว <Okay. S 1> ของหนูนี่นะผ่ามาร้อยกว่าครั้งพอ oh. <laughs> ฟังห้าครั้งเลยเออมันธรรมดาบอกอะไรไปผ่าอะไรไม่ต้อง oh. oh. เป็นรอยผ่าเพราะมันเป็นตัวจิตตัวจิตทําไมอ่ะกินแหนมเป็นตัวจิตจิตปูดนั่นปูดที่นี่แล้วก็ลงผ่าเรื่อยออแปลกดีค ร, ครั้งแรกผาตัดเส้นเลือดขอดพร้อมกันสามจดุดคือที่โคนขาขวาจุดใกล้ข้อพับและจุดใกล้ข้อเทา้าครั้งที่สองผาตัดใต้นิ้วชี้มือข้างขวา หลังยาผ่าตัดนิ้วจี้งอกเข้าและงอออกเองไม่ได้ต้องงางออกอแต่ว่าต้องใช้อีกมือหนึ่งช่วยใครสามผ่าตัดเข้ามือซ้าย<อ>กี่มือขวา<อ>เพราะหยิบจับอะไรไม่ได้อห<อ>ลังทีสี่ผ่<อ>าตัดบ ร, ริเวณเข่าและน่องด้านขวาหมอได้เรื่อยกระดูกให้ขาดออกจากกันเ<อ>พื่อดัดที่ตรง แล้วเสริมเหล็กที่ดามกระดูกโอ้โสมัยขนาดนี้อ่ะครั้งนี้ผ่าขาซ้ายผ่าซ้ายติงข้อเท้าสะโพกไทลอยหลังจากผ่าตัดครั้งที่สี่ครบหนึ่งปีหมอได้ผ่าตัดเอาเหล็กที่ดามกระดูกออก เมื่อแม่บุญธรรมอายุมากขึ้นท่านก็เป็นโรคมะเร็งปอดมักจะเจ็บหน้าอกไอไบ่อยๆและบ่นว่าปวดสะบักอยู่เสมอแต่ลูกยังมักจะพาท่านไปหาหมอที่โรงพยาบาลจนท่านมีอาการหนักต้องไปนอนที่โรงพยาบาลและเช้าวันหนึ่งขณะที่ลูกกำลังจะเดินทางไปเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาลทางโรงพยาบาลโทรมาแจ้งว่าแม่บุญธรรมเสียชีวิตแล้วด้วยหวสิบเจ็ดปี โอ้โครูมิยาหญ่หยอง2้0สาวปีครับโอจะหกส63เมษาเนี้แล้วเนี่ย mm hmm. มันใกล้67สิเจ็ดไปเรื่อยๆแล้วหยอง2อ0สาวปีอยาให้คนอื่นมาทำแทนดีกว่า DMC อ้าวป้างโลกเป็นพี่สาวของแม่บุญธรรม mm hmm. ชอบทำบุญบำบรงวัดทั้งสร้างหอระฆังสร้างกำแพงวัด สร้างบ่าวบาดาลให้กับวัดเป็นต้นทังยังบริจาคเงินให้กับโรงเรียนโรงจยาบาลอีกด้วยเองทำบุญถูกหลักวิชาทั้งสงเคราะห์โลกและก็ทำในเนื้อนาบุญในบุญญาคตแต่ป้าเป็นคนที่บุญก็ทำกรรมก็สร้างเพราะป้าชอบเล่นการพนานเป็นชีวิตจิตใจแม้แต่เวลาไปทาบุญบต่อกระถินป้าป้าที่วัด ก็มักจะแอบไปเล่นการบรนานทีศสาราวัดแล้วกำลังจะชื่นชมทั้งอยเล่นทั้งไพ่้เราเต๋าปั่นปูปลาน้ำเต้าจะมือเล่นอะไรป้าก็เล่นเลยทุกอย่างตามปกติวัดใกล้บ้านป้าที่ต่างแขวงวัดมักจะมีผู้ใจบุญมาทอดปราป่าไปบ่อยป้าจึงชวนเขาเล่นการบรรนานบ่อยๆด้วยเช่นกันป้ามีอาชี ธนาคารคนยากรับจำนำเครื่องประดับสร้อยนาฬิกาเป็นต้นวันหนึ่งที่วัดกลายบารมีงานวัดเสียงหมหโหลพก็ดังไป ร, บรอบๆวัดกำลังฟังเพลินโจรก็ถือโอกาศเข้ามาปล้นบ้านป้ า, นานในเวลากลางคืนซึ่งแถวนั้นจะไม่ค่อยมีคนเดินคืนนั้นจรได้ทุบตู้กระจกเครื่องประดับด้วยดามเปินแล้วก็ขนเอาเครื่องประดับทองคาไปด้วยส่วนหนึ่ง ามาปา เ, เสียชีวิตดีโรบาหวานเมื่อปี2531ขณะอายุได้67ปีอีกแล้วโอ้ตัวลูกเมื่อเกิดมาพ่อกับแม่ก็แยกทางกันโดยที่ลูกยังจำหน้าตาพ่อไม่ได้เลยค่ะเราจึงอาศัยอยู่กับแม่ในบ้านสลัมที่มีความกว้างเพียง4คูณ5เมตรเท่านั้นยังไงกุติพระนะกระดิมก็ไม่ต้องดูแลเยอะ ฝาบ้านไม้เก่าข่าคราเต็มไม่ได้ปลวกจะกินฝาบ้านเป็นอาหารแต่โชคดีที่เป็นบ้านสองชั้นกว่าปลวกจะกินบ้านหมาตั้งหลังเราก็คงอยู่ได้อีกนานนี่แหละค่ะคือความสุขเล็กๆของสลัมโอ้ความสุขลเลยเถิดบ้านของเรานี่มีเพียงทีวีเก่าๆหนึ่งเครื่อง กับเครื่องใช้จำเป็นตอนนั้นไม่มีเฟอร์นิเจอร์สวยหรูใดๆนอกจากพื้นกระดานแข็งๆที่เป็นทั้งที่นั่งเล่นนอนเล่นและที่ทานอาหารที่เดียวกันบ้านหลังนี้เราอยู่กันสามคนสามคนคือแม่ตัวลูกแล้วก็ยายคือแม่ของแม่เมื่อก่อนแม่ทำงานหนักมากเป็นเสมียนบริษัทแห่งหนึ่ง ที่ไปทำงานตั้งแต่ตีห้า oh. ก็จะถึงบ้านก็สี่ทุ่มกว่า oh. ลูกจริงๆอยกระยายแทบไม่ได้เจอแม่เลยแม้แต่กิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนแม่ก็ไม่มีไม่เคยมีเวลาให้ลูกได้กราบเท้าเลย oh. ก็ไม่เป็นไรนี่ลูกเราก็กราบทุกวันเลย oh. ทำไมจะต้องไปคอยวันแม่ถ้ายังมีแม่อยู่จะแ ป, ปลว่ามีวันแม่ทุกวัน ต่อมามืลูกเรียนชั้นประถมปีที่ห้ากราบเท้าแม่นี่สําคัญนะยันได้ก็เป็นของต่ำยันได้ก็เห็นท้าแม่ซับลั้งไปท้วยเซนเอ็นเพิ่งเหยียบย่ําสิ่งสกปรกมาเท้านี่สําคัญเนะี่ยพราเท้านี่แหละได้พาตัวของแม่เนี่ยส่วนเกินขึ้นมาเนี่ยน่าแข้งเข่า ตัวไปทำมาหากินได้เงินมาเนีย่ยแม้ตั้งแต่ตีห้ถึง4ี่ทุ่มวันเพื่อมาเป็นอาหารเลี้ยงให้ลูกมีชีวิตอยู่มาเป็นเสื้อผ้าให้ลูกได้สนใส่มาเป็นค่าเชาวบ้านมาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างมีทีวีหนึ่งเครื่องของใช้จําเป็นแล้วก็ให้ลูกได้ไปเรียนหนังสือหายโง่มีความรู้มีวิชาชีพจะได้ไปทำมาหากินเลี้ยงชีวิตได้แม้แม่ตายแล้ว เปิดนัดเท้าของแม่มีพระคุณมากกราบเธอเท้านี้เป็นต้นทางสวรรค์เจ้ามแม่ไม่เคยมีเวลาให้ลูกเดียกราบเท้าลูกก็หาเวลาสิจ้ะเมื่อเราอยู่กับแม่อยู่ตรงนั้นทานสะดวกตรง น, นั้นก็กราบไปที่เทา้าแม้ท่านนอนหลับเราก็กราบได้นี่กราบ ดเด็กชายสะราดชัยวัย ไ, ไม้ใช่โอ้โหกลาบเท้ามารดาทุกคืนนี่สี่ขวบแล้วมั้งกลาบเท้ามารดามารดาไปอยู่ไปทามาค้าขายจะต้องนอนหัวค่ำแต่แม่ยังไม่กลับมาก็ไปเอารูปถ่ายของแม่นะกาตั้งระกลาแล้วก็ไปนอนกดไายครับ <c oughs> ม, มามี่โอ้ <c oughs> ชื่อใจไหมชื่อใจนี่แหละจ้าตอนนันเมื่อลูกเรียนชั้นปถมปีที่ห้าจู่ๆวันหนึง่งพ่อพึงนึกออกตั้งแต่เกิดพึงนึกออก อ, อ๋อแล้วเรามีลูกอยู่คนหนึ่งก็มาหาลูกที่โรงเรียนซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ลูกได้เจอพ่อวันนั้นพ่อเอาเงินมาให้ลูกซึ่งลูกจําได้แม่นเดียวจํานวนเงิน เอาใครว่าหนึ่งร้อยบาทไอเขาไว้หนึ่งพันสิบบาทเลขที่ออร้อยบาท<อ>ลูกดีใจมากที่ได้เจอพ่อเป็นครั้งแรกแต่ก็เป็นเพียงครั้งเดียวตอนนั้น<อ>แล้วตั้งแต่นั้นมาพ่อก็หายไปทั้งตัวเลยอเอา หายทั้งตัวดิไม่ใช่หายหัวหายหัวจะไม่เห็นเลยเอาไปทั้งตัวดีเลยไม่เคยมาให้ลูกได้เห็นหน้าอีกเลย <c oughs> เอากรตัวไม่มา <c oughs> ส่วนยายคือแม่กับแม่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาไปว่าเหลืออายุสองคน <c oughs> ก่อนเสียชีวิตหลายปียายมีอาการไม่สบายกลายอาการของโรคเบาหวานโอ้ครูม่ใหญ่ก็ย่องม่น 2อ0ปีและการตายหกเดือนยายนานป่วยที่โรงพยาบาลมีแผลเน่าที่ก้นอย่าะนั้นก็เสียชีวิตได้โรคที่หมอก็เป็น ส, รรสาเหตุสำหรับบ้านในสลัมที่ลูกอยู่มานานนอกจากจะถูก ล, กลุกล่กรุกรานแล้วต่อมายังถูกขเขารุกไล่ที่อีกด้วยครับชุมชนคนจนของเราก็ต้องก็ต้อง โอเยเฮลโลยายที่หนีกันไปซะบ้านฮนันแหลกเลยลูกแล้วแม่จึงต้องย้ายไปขออาศัยอยู่บ้านของน้องสาวกุณตาปัจจุบันตอนลูกอายุยี่สิบห้าปีขอประกาศว่าโสดสนิทเป็นลูกคนเดียวโอ้ oh, <c oughs> ยังกับประกาศมีชีพค้าขายของชำซึ่งก็ไม่ได้มีวี่แววจะร่ำรวยขึ้นมาได้อย่างไร ยังไม่ได้บอกเกียจยิจ่งจกทุกแกนหือรักการเข้าวัดเลยนอะยังไม่บอกไม่หมดเลยลูกเออยังบอกไม่หมดเลยเขาจะได้รู้ไ <c> ง <oughs> เดี๋ยวจะช่วยอ่านให้โอ้สุดยอดเลยแต่ก็มีเหตุอัศจรรย์ใน้ลกได้นี่มีบ้านที่เธอพูดเมื่อกี้นี่เพื่อจะบอกบรรทัดต่อไป เหตุอาเฉยจันทํ์ทำให้ลูกได้มีบ้านพร้อมที่ดินมีรถยนต์หนึ่งคันเป็นของตัวเองเออเห็นไหมจ๊ะนี่เธอถึงตึงขึ้นแต่ต้นอย่างกันเรื่องมีอยู่ว่าในปีสองห้าสี่สองน้องสากคนตาซึ่งธรรมมาก็เป็นแม่บุญธรรมของลูกได้ชวนลูกไปวัดวัดหนึ่ง อยู่แถวอำเภอของส า, สามทุกอาทิตย์ต้นเดือนอแล้วก็ทุกบุญใหญ่ทุกครั้งที่เราไปทำบุญบูญชาข้าพระและบุญใหญ่ที่วัดเราจะอธิษฐานขอให้มีบ้านพร้อมที่ดินและมีรถยนต์หนึ่งคัน<อ>ตั้งผังไว้เลยเลยหลังจากทำบุญแล้วต่อมาปีสี่ห้านับจากสี่สองมาสามปี อยู่ๆคุณตาก็ได้ซื้อรถยนต์ให้ลูกหนึ่งคันแต่ที่ลูกไม่เคยเอ่ยปากขอเลยครับและในปีสีห้นั่นเองตอนนั้นลูกอายุยี่สหนึ่งปีน้องสาวคุณตาบอกว่าท่านอายุมากแล้วน้องสาวคุณตานะจ๊ะอยากจะมีลูกบุญธรรมสักคนท่านยังคิดที่จะรับเพื่อนของตัวลูกที่อยู่ข้างบ้านมาเป็นลูกบุญธรรมนะแต่ญาติๆคัดค้านในสุดท่านจึงตัดสินใจรับตัวลูกเองนมาเป็นลูกบุญธรรมนั่นแทน โดยท่านได้รับรองตัวลูกเป็นบุตรบุญธรรมที่สำหรับการเขตยอย่างถูกต้องตามกฎหมายหลังจากนั้นสี่ปีตมาแม่เป็นทรรมในสี่ชีวิตจะทำให้ลูกได้รับบรดกจากท่านเป็นบ้านพร้อมที่ดินค่ะลูกจึงสมหวังในคำปฏิฐานทุกอย่างลูกยิ่งเชื่อมั่นในบุญสุดๆเลยค่ะตัวลูกเป็นโรคแปลกที่คิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆแต่ก็รู้สึกลำคาญนิดๆคือลูกมีอาการปวดต้นคอตลอดจนถึงหัวไหล่ทั้งสองข้าง เวลาที่หันคอหรือเอียงคอไปมาจะมีเสียงดังกึบกักเหมือนคอจะหลุดเรากกระดูกจะหักข้างในทุกครั้งที่หันคอเสียงดังขนาดคนที่ยินใกล้ๆได้ยินรูปย ก, กรปวดตลอดทุกวัน <c oughs> ปวดแป๊บๆในกระดูกปวดปวดนิาหายโดยเฉพาะเวลาเวลายกของหนักๆจะปวดในกระดูกต้นคอมาก <c oughs> ต้องใช้ยาทาแลกระโดดต้นคอและบาด ท, ที่ตัวเองมาเป็นเวลาสี่ปีจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ <c oughs> แม่ของลูกเป็นคนดุ ใจร้อนแต่ชอบทําบุญค่ะคนดูใจร้อนแล้วก็รู้ว่าควรจะไปเป็นอะไรแอแต่ชอบทําบุญก็ต้องเป็นไฮโซนะ <c oughs> แม่เป็นคนอ้วนจึงทำให้มีการปวดหัวเขา่าเวลาปวดมากความดันก็ขึ้นสูงเดินไม่ค่อยไหวไม่ค่อยกล้าไปหาหมอเพราะกลัวหมอเนี่ยปวดมากเข้าจึงยอมไปหาหมอ แม่ปัจจบุบันี้แม่จะเปิดร้านขายของชามีความม่อยู่ดีขึ้นแต่แม่ก็ไม่เคยจอบไปไหนบอกว่าเป็นห่วงร้านค้ากลัวเสียลูกค้าให้คู่แข่งที่เปิดร้านขายใกล้ๆกันบอกอ๋ออย่าไปกลัวเลยคนมีตั้งหกพ0กว่าล้านคนอยู่ในเมืองไทยห0สบกว่าล้านคนอาวุาชาตินี้เราขายได้สักล้านคนไหม เพระฉะนั homeless, palm, ้นจะไปโกวกู said, ้แข exactly. yeah. yeah, yeah. ่งอะไรหรอกล้วก็ทํา็ร้อยดีแล้วเราก็อนุโมทนาที่เขาไปซื้อของที่ร้านไกลๆงก็สิจ้ะเออก็คนมีตั้งเยอะปลาในทะเลเนี่ยมันเยอะจับมาเนี่เป็นหมื่นหมื่นปีมงไม่หมดมีอยู่เห็นไหมยังตั้งเยอะแยะเพราะนั้นจะไปอะไรทําให้ใจมันหมองมีทําไม่แล้วพอเราชื่นชมอนุโมทนาว่าเออดีแล้วขอให้เขาขายจเจริญ แล้วเดี๋ยวจะเห็นอั น, นิี้สองนในการที่มีมุติตาจิตเดี๋ยวลูกค้าจะเต็มร้านเลยนี่ลูกค้าเต็มร้านมาซื้อของเราจนกระทั่งเราไม่มีเวลาว่างเราเหมือนเอ็กซ์ซอร์ไ์ตลอดเวลาเพราะนั้นในบ้านจะไม่มีใครร้องอียายาย่ า, ย า, ยายเล ย, เ, ลย <laughs> เพราะว่าเอวเราไม่หาย <laughs> ใช่ไหมเจ๊ะ จะแข็งแรงสดชื่นเบิกบานทีเดีย ว, <ช>วที่น่าแปลใจคือแม่มักจะมีคู่แข่งทางงานค้ามาตลอดค่ะเพราะเราก็จะไปคิดว่าเก็เป็นคู่แข่งนะเจ้านึกวก็เขเป็นเพื่อนมนุษย์เขาเป็นคู่ค้ากันครับ<ช><ช>นี่ช่วยกันค้าขายเพื่อนมนุษย์เพราะเราขายคนเดียวเนี่ยเอาชาติหนึ่งขายได้สักล้านคนไปเนี่ย<ช>ไม่นั่นนะ<ช><ช>นี่มีอยู่ครั้งหนึ่งกนรวยใหญ่เนี่ยนะมีคุณหมอท่านหนึ่งมามามาเยบให้มันนวดให้ ก็คุยกันไปนะเออไปถ่ายทอดความรู้ไอ้ลูกมัางสิหลานบังหรือคนตรนี้ความรู้มันจะกระจายบอกไม่ได้หวงยวได้ครับขอสังวนอันจะไปสังวนไม่ให้ใครละ่ะไว้ให้ลูกมาจับเส้นคอครูม่ใหญ่่างนี้เส้นหนึ่งเนี่ยก็เาไปหวัดข้าวหมูกกันนะฟึดๆเขาเกี่เกียรปุ๊บเอาหายเลย เออบอกอยากเก็บไว้ให้ ล, ลูกลลูกเรียนอะไรวิศวะผอเดี๋ยวดีนี่วิศวะโยมจะไปให้เขาทำไมคุณหมอจะไปเขาจะเอาเลอรนี่ไปตั้งโรงเรียนสอนที่เราจะได้มีลูกศิษย์แล้วก็เลื่อนขยับฐานะขึ้นมาไงเป็นอธิการบดี น, นี่ไงเออ แผนนวดอย่างเงี้ยเราก็ได้รับการยุบย่องเงินไปแล้วชาติต่อไปเราจะฉลาดนะะถามจริงๆเธอคนหมอว่าชาติหนึ่งนวดได้สักล้านคนไหม <Yeah. S 1> อ่าครูใหญ่ถามมาแล้วถามมาแล้ว <Yeah. S 1> อือก็คงไม่ถึงแล้วครับ mm. อาชาติหนึ่งคนจะได้สักกี่คนก็คงไม่กี่พันคนอ้าแต่เลือดต้งเยอะนะ <Yeah. S 1> อารมณงไทยมีกี่ล้านคน mm. อือตอนนั้นมันห้าสิบกว่าล้าน yeah. ห้กว่าล้านคนอาคิดว่าจะนวดได้ไดกี่พันปีถึงจะหมดอาเราเราคุณหมอคิดว่าคุณหมอจะอยู่ได้กี่ปีอาท่านกับลาพึงมาสั้นๆอยู่าเออเห็นท่าจะจริงเออมากกว่าจะคิดออกแล้วต้ปแต่ น, นมาแต่งกระสอน อ, อ่ามีลูกศิษย์มาเรียนนึงซือนึงหงหาอาบางทีก็ต้องเขียนพวกนังง้นด้วนางรูปเป็นบรเรณโคนลิ้นหมอได้ผ่าตัดฉายแสงแล้วเจาะค อ, อพูดเป็นได้กินก็เป็นได้ ก่อเสียชีวิตได้ถวบนสร้างวิหารขุนยายแล้วก็สร้างพระทํากายจําตัวล้วลานทําถวายพระสังฆาฏิการสร้างหอจั้นญุนยาจางกระตินพระราษอายุได้37ปีลูกพี่ลูกน้องใจเป็นมะเร็งนกระเพาะาหารเสียชีวิตในปี25งหสี่อายุได้47ปีล้วนตายหมดที่ไม่ใช่คําถามอุปผกรรมใด้ทําให้แม่เป็นทํามทั้งผ่าตัดถึงหครั้งมิบา ก, กรรมใดทําให้ทําเป็นเร่มะเร็งปอดจนเสียชีวิต ก่อนตายมีคตินิมิตอย่างไรแต่สีชีวิตแล้วไปอยู่พบภูมิไหนมีความมาอยู่อย่างไรมีอะไรฝากบอกกับลูกบ้างไหมคะวิบากกรรมใดทําให้ป้าโดนโจรปล้นเครื่องประดับทองคําปางลูกบุญกระทําการพ น, นันกระชอบเล่นทั้งไพ่ไฮโลเต๋าป่านปูปลาน้ําเตา้าก่อนตายมีกตินิมิตอย่างไรชีวิตในปรโลกเป็นอย่างไรยายตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่ อุปรกรรมใดน้จึงเป็นมะเร็งโคน ล, ลิ้นตายแล้วไปอยู่พบภูมิไหนลูกพี่ลูกน้องของยายเสียชีวิตด้วยมะเร็งในกระเพาะ อ, อาหารตายแล้วไปอยู่พบภูมิไหนอุปกรรมใดทําให้แม่ปวดเข่าและเป็นโรคความดันโลหิตสูงเหตุใดแม่ของลูกจึงมักจะมีคู่แข่งทางการค้าตลอดเกิดจากวิบากกิกรรมใดจะแก้ไขได้ไหมคะ ในชีวิตในวัยเด็กลูกจึงลําบากมีบ้านในสลัมที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ใดๆเลยและวิบากกรรมใดลูกจึงเกิดมาได้เจอหน้าพ่อเพียงครั้งเดียวเท่านั้นลูกและแม่บุญธรรมเคยทําบุญร่วมกันมาในอดีตอย่างไรเคยเป็นแม่ลูกหรือเคยเป็นญาติกันมาก่อนหรือเปล่าคะอุปกรรมใดทําให้ลูกได้รับมรดกจากแม่บุญธรรมคํำอธิษฐานที่ลูกขอบ้านพร้อมที่ดินและรถยนต์ทาไมจึงสมปรารถนายอย่างอัศจรรย์ เป็นพระลูกเคยประกอบเหตุมาอย่างไรลูกมีอาการปวดต้นคอถึงหัวไหล่ั้งสองข้างทุกครั้งที่หันคอจะมีเสียงดังกึกๆึกมีการปวดแป๊บแบในกระดูกเกิดจากวิบากรรมใดคะลูกแม่บุธรรมและคุณแม่เคยทำบุญเริ่มกมุคณะมาอย่างไรในรูปแบบใดเคยก้าถึงพระธรรมกายไหมคะจำเรื่องราวําถามได้ไหมจ๊ะ รา บ, บตาฝันเปตัวเปตาเติ่งขึ้นม า, านแล้วก็นำมาล่ฟังเป็นิยายปรมปรากันชจาแม่บุญธรรมต้องผ่าตัดตถึงห้าครั้งเพราะกำเนิดอดี่เกิดในสังคมเกษตรกรรมชอบลงโทษลูกหลานที่ซุกซนทำให้ข้าวของเสียหายแต่การมัดยุนนานจะลูกหลานทุกทรมาน จากการถูกมัดมาเริ่มกับกรรมฆ่าสัตว์ธรรมอาหารวิบากกรรมนี้มาส่งผลจา<ม>เป็นเริ่มมะเร็งปอจนเสียชีวิตพระในชาตินั้นก็ยังชอบเผานาภายหลังเก็บเกี่ยวเสร็จ<ม>ซึ่งก็ต้องเผานะ<ม>แต่ว่าควันนั้นไปรบกวนชาวบ้าน<ม>ที่อยู่ท้ายล ม, มจนเขารำคาญเพราะหายใจไม่สะดวก อีกทั้งทําให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยในนาตายหมดประสงค์ผลจะ<อ>คือถ้าพูดด้วยเหตุผลธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่เห็นผิดอะไรเพราะใลรๆก็เผาแล้วก็จําเป็นจะต้องเผาด้วยแล้วก็ทําไมไปอยู่ท้ายลมละ่ะ <c oughs> นี่มันก็ <c oughs> เราเผาของเราแต่ว่าไปดมเองเนี่ยเราลมพาไปแล้วสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยมัน <c oughs> ควรจะอยู่ที่อื่นก็มาอยู่ในนาเรา ในนาเราเนี่ยโนดกของเราถามวัถูกฎกหมายไม่ถูกนะแต่มาไปผิดกฎแห่งกรรมนี่สิผิดลออฟกรรมนี่ซึ่งผู้ออกกฎแห่งกรรมกฎสากลสากลลโลกนี้เป็นผู้มีอนุภาพมากใครยังไปไม่ถึงเขาเลยเนี่ยเขาอยู่ฉากหลังที่บังคับบัญชาสรัสรพสัตว์และสรัรพสิ่งทั้งหลายบังคับทั้งขืนทั้งลองเลยคือบังคับให้เราเกิดอกุอสจิต คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วหรือทำไม่ถูกหลักวิชาแล้วมีวิบากกรรมรองรับเห็นไหมเจ้านี่วิบากกรรมรองรับเขาไม่มีมอนุภาพยังไม่มีใครไปถึงเลยนี่แหละไจ้ไกฎแห่งกรรมอย่างนี้จะเป็นกฎสาคมามุรมำงคับให้เกิดวิบากเป็นปรโรคม ะ, ระเร็งปอดและโรคภัยต่างๆตายแล้วก็ไปเป็นเทพทิดาสุดสวยกรรมส่วนกรรมบุญส่วนบุญ มีวิมานทองชั้นเดชสิทธิบริวงบ์บนวิเศษเขตสเบียงจ้าทูได้บนที่ได้สร้างกมุคณะอย่างเต็มที่ต่อเนื่องส ม, ม่ำเสมอ ม, มาจา้า<อ>แต่ละบนที่ที่ไปให้แล้วก็ทําให้ยิ่งมีที่ไปสัมบัติเพิ่มขึ้นทุกด้าน<อ>มีข้อความฝากมาถึงโลกว่าให้ตัวลูกสร้างบุญทุบุญต่อไปกมุคณะอย่างต่อเนื่องจะได้ไปอยู่วงบนวิเศษเด้ยวยกันจา้าจะเรียกว่าท่านมาสร้างบรารมีกมุคณะส ม, ม่ำเสมอ ป้าโดนโจรปล้นเครื่องประดับทองคําเพราะกรรมแน่ดีก็เป็นนักกามนันแล้วก็ชอบโกงพ น, นันบ่อยๆวิบากกรรมนี้มาสม่งผลให้สมบัติมีวิบัติติดมามางมีสมบัติก็จะมีเหตุให้หมดไปกับกรรมเคยสมน้ําหน้าเพื่อนบ้านที่ไปถูกกันเพื่อนบ้านที่ไปถูกกันเขาถูกโจรปล้นกอดีไปถูกกันนี่ยมารวมสม่งผลอย่างสมน้ําหน้าโดนมางก็ดี เนี่ยแม่จ้ะอำนากับอำนาข้างพอสมกันป้าบุญก็ทํากรรมก็สร้างชอบเล่นไปให้โลดเต้าปันปูปลาน้ําเต้าก้อนใต้ภาพเหล่านี้ก็มาฉายเห็นเป็นกรรมนิมิตรแล้วก็มีคตินิมิตกึ่งบ้างกึ่งสายคือเห็นกรรมนิมิตรทั้งภาพการทําบุญและทำบาป ค, <S S S> ครับตาแล้วจึงถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมวัโลกของมหาดลขุมหกและถูกตัดสินให้เป็นกุมพันทีผู้คุมหญิง ได้บุญปนบาปนะัออ้นหุ่นงามเสีเยโดยตั้งเข้าเวรหเดือนเนในโยมโลกก็ใช้คำว่าเวรไม่ใช่แปลว่ารับบุญนะ <c oughs> เข้าเวรหกเดือนในโยมโลกแล้วมาพักร <c oughs> ับบุญที่เจตุมหาราชกายมหาอาจตุมหาราชกายหเดือนในชะ่ร <c oughs> ับเวรหกเดือนรับบุญสเสวยบุญหเดือน <c oughs> มาพัก ตอนนี้กำลังทำหน้าที่เป็นกุมพันธที่ลงธาตลงโทษสัตว์นรกในยมโลกอยู่จ้ะ mm hmm. ให้ธบุตที่ไปให้ท่านบ่อยๆจ้ะท่านจะได้ผลอยากตรงนั้น mm hmm. ยายตายแล้วก็ไปเป็นภูมิมัททิวระดับทั่วไปไม่ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ตายมีสภาพความมีอยู่ดีขึ้นทั่วไปคือโตแต่อดๆจ อ, อ, อยากอะไรเงี้ยนะ mm hmm. ตอนนี้พอได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็สภาพดีขึ้น mm hmm. เช่นสาวขึ้นเ <Yeah. S 1> หยาหันทิพย์ มีสื้อผ้ามีมานหลังเล็กๆอยู่ในหมู่บ้านพุมะเทวะแห่งหนึ่งเป็นคนจนในหมู่บ้านพุมะเทวะแต่มีบ้านขะต๊บอยู่ของตัวเองให้อุทิศบุญไปให้ท่านอีกจ้ะน่าเป็นมะเรงโค ล, ลินเพราะการมาธิบัติข้าษัตร์ทั้งขายและทำเป็นอาหารหลายๆชาติมารวมส่งผลกับกรรมวิจีกรรมที่ด่าว่าผู้อื่นทให้ผู้อื่นเดืดอดร้อนเสียหาย บารมสีสงผลที่มะเร็งคนลิ้นให้เป็นมะเร็งคนลิ้นตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยนี่บุญส่วนบุญนีวิมานมันทองชันดาวดึงเฟศ ส, สา ม, มชนบทดาวดึงเลยได้บุญที่ทําก่อนตายทําให้ใจเกาะถึงบุญได้จ้ะให้ทําบุญ อ, อุทิศไปให้ท่านจ้ะแล้วพี่ลุงน้องยายเป็นมะเร็งในกระเพาะอาหารตายเพราะกรรมฆ่าสัตว์รมหารในหลายๆชาติมารวมส่งผลจ้ะ ตายแล้วก็ไปเป็นภูมิติวาระดับทั่วไปแต่ละบนุญที่ทิ่ไปให้แล้วก็ให้มีสภาพความมีอยู่ที่ดีขึ้นเหมือนคุณยายแหละจ้ะแม่ปวดเขา่าและเป็นความดันโลหิตสูงเพราะการรมฆ่าสัตว์หารทั้งในอดีตกับปัจจุบันก็อนในอดีตกับในปัจจุบันก็ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคจ้ะน้ำหนักมันก็เลยเยอะตามใจปากจะเป็นมู แต่น้าให้แม่ลดอาหารประเภทเนื้อสัตว์ลงบ้างล้วหันมารมับประทานผักให้มากๆอันนี้นี่ <c oughs> กาแฟกับ โ, ค โ, คโกโก้ดร็อเตอร์เคธันนี้ครูผู้ใหญ่ลองฉันดูอร่อย <c oughs> นี่เช้งกระเดะเลยน้ำหนักตัวจะเด็ลดลงคือปรับสภาพเซลล์ในร่างกายให้อยู่ในระดับดูดีนี่นไม่จ๊่ หันมาลัประทานผักให้มากๆน้ำหนักตัวจะได้ลดลงจะได้สวยเช้งก็ได้เตตาลูกจ้ะแม่มักจะมีคู่แข่งทางการค้าเสมอเพราะกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ชอบอิจฉามันไส้ผู้อื่นเรามาส่งผล เ, เห็นไหมเห็นไ้มล่ะจ้ะออดังนั้นให้แม่มันแผ่เมตตาและให้เจริญมุทิตารอเยินดีในความสําเร็จของผู้อื่นอธิฐานขอให้เ้ารวยดิจ้ะออใจสบายบุญมันจะได้เกิดขึ้นเพราะจิตเป็นบุศล และบุญนั่นแหละเป็นบอ่อเกิดแรงเด่งดูดโพกซัพ์มันจะมาหาเราอย่างที่เรานึกไปถึงเลยอีกท้าให้มันสังสมบุญที่มามากๆในทุกบุญใะและถือว่าเป็นเรื่องปกติขการนาธุรกิจที่จะต้องมีคู่แข่งเสมอแต่อย่าแปลไปเป็นคู่แค้งกันแล้วกันก ค, คือผู้ร่วมกันค้าน่ะที่ช่วยเหลือเพื่อมนุษย์คิดอย่างนั้นก็นแล้วกันแต่ไปเด็กลูก ม, มีชีวิตลําบากบ้านอยู่ในสลัมที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ใดๆ พระกรรมยายดีเป็ความตระนหนีจัดไม่ค่อยได้ทำทานมาส่งผลเนจ้ะเมืม่อไม่ให้ก็ไม่ค่อยได้เห็นไหมจ้ะหวงคือไล่ให้คือเรียกทรัพย์มาเนี่ยเกิดมาก็เจอหน้าพ่อครั้งเดียวเพราะกรรมยายดีสมัยเป็นผู้ชายเนี่ยแต่ต้าผู้หญิงก็มีท้องแล้วก็ไม่รับผิดชอบลูกในท้องมาส่งผลจ้ะก็เป็นผ้ายายดีตัวลูกเองแหะจ้ะลูกและแม่บุญธรรเคยผูกพันกันมาโดยแม่บุญธรรเคยเป็นกรรัลยาณมิตรให้กับตัวลูก แต่ในชาตินั้นตัวลูกก็ได้เป็นบริวารรับใช้ท่านและตัวท่านก็ได้สอนให้ตัวลูกได้รู้จักทําทานและตัวลูกช่วยท่านจัดแจงข้าวปล า, าอาหารถวายพระซึ่งตัวลูกก็ได้ช่วยท่านทําอย่างเต็มที่จึงมีบุญที่คอยได้รับสมบัติต่อจากท่านได้ในชาตินี้จ้ะ เ, ออเห็นไหมเจ้ตั้งมีบุญพอถึงจะรองรับทรัพย์ได้คําปฏิฐานที่ตัวลูกขอยมีบ้านพร้อมที่ดินและรถยนต์ได้สมความพัถนาพระ บุญปัจจุบันที่ทำกับหมู่คณะและบุญในอดีตที่ได้ช่วยแม่บุญธรรในการจัดเตรียมภัตตาหารถวายพระและช่วยในการทําทานต่างๆท่านกับหมู่คณะมารวมส่งผลแจ้แต่ลูกมีอาการปวดต้นคอถึงหัวหล่ทั้งสองข้างทุกครั้งที่หันคอจะมีอาการเสียงดังกึกกักมีาการเปิดแป๊บๆในกระดูกเพราะกรรมในอดีตก็ได้เคยไม้พายเรือเนี่ยเขาไว้พายเรือ ย, ยาวๆนะแต่ลูกเอาไป ตีที่คอคอสุนักที่มันมาเพ่นพ่านแถวบ้านด้วยความโมโ ห, โหจนคอมันเครดทรมานประสงมนต์จ้ะเพราะนั้นจะได้ว่าสัตว์เกิดมาให้มนุษย์ตีให้มนุษย์ลังแกแล้วไว้กินเป็นอาหารนะจ๊ะนี่ว่าสัตว์ก็คืออดีตมนุษย์นั่นแหละให้ลูกสั่งสมบุตุ้กๆเล่าทิฏบุญสุลให้สัตว์ตัว น, นั้นมนุษย์ที่ สังสมบาปกุศลและแปลอาบายขั้นตอนสุดท้ายของอาบายคือเป็นสัตติเลชาเนี้ยเนรจ่ให้สังสมบุญทุบุญอุทิศส่วนศให้สัตว์ตัวนั้นละติฐานจิตเจอหมอดียาดีมารักษา ห, หาจ่าหาไม่ยากจ่าอย่าไปกังวลใจเลยเดี๋ยวจะเจอหมอดียาดีแต่ลูกแล้วคุณแม่แม่บุญทําเคยสร้างบุญมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองสเสบียงแต่แม่บุญธรรเป็นกาลวิทให้กับตัวลูกแล้วคุณแม่แต่คุณแม่ยังทําบ้างไม่ทําบ้าง จากนั้นจึงทำให้ยังต้องเหนื่อยต้องลำบากหน่อยจ้ะชานี้ไม่เจอกนแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างปริมิตเต็มที่ในทุกบุญเระอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิธบุรีวงบุนวิเศษเกศบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดเลยจ้าสาธุนี้ก็เป็นเรื่องราวของคสัดดี้สั้นๆ ส, สำหรับคืนนี้